บทภาชณีบาทที่ไม่มีรอยซ่อม616ภิกษุมีบาทที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมต้องอบัตนิสสกิยภาจิตตีภิกษุมีบาทที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งต้องอบาตนิสสกิยภาจิตตีภิกษุมีบาทที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งต้องอบาตนิสสกิยาพาจิตตีภิกษุมีบาตที่ไม่มีรอยซ่อม ขอบาดที่ม <seafood> <uits> <sh> ีรอยซ่อมสมแห่งต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีภิกษุมีบาทที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่มีรอยซ่อมสี่แห่งต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีภิกษูมีบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีภิกษุมีบาดที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งขอบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่ง ต้องเอาบาดนิสักีายาปาจิตตีภิกษุมีบาด ท, ที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่งขอบาด ท, ที่มีรอยซ่อมสแห่งต้องเอาบาดนิสักียาปาจิตตีภิกษุมีบาร ท, ที่มีรอยซ่อมหนึ butter, okay. ่งแห่งขอบาดที่มีรอยซ่อมสแห่งต้องเอาบาดนิสักียาปาจิตตีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่งภิกษุมีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่งขอบาดที่ไม่มีรอยซ่อมต้องเอาบาดนิสักียาปาจิตตีภิกษุมีบารที่มีรอยซ่อมสองแห่งขอบาดที่มีรอยซ่อมหนึ่งแห่ง ต้องอาบัณิตสกิยภาจิตตีภิกษสูมีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งต้องอาบัณิตสกิยภาจิตตีภิกษสูมีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อม3ามแห่งต้องอาบัณิตสกิยาปาจิตตีภิกษสูมีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสี่แห่งต้องเอาบัณิตสกิยาปาจิตตีบาทที่มีรอยซ่อมสาแห่งพิกษสูมีบาดที่มีรอยซ่อมสาแห่งขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมต้องอาบัณฑิตสกิยภาจิตตี ภิกษ <eri> ูมีบาดที่มีรอยซ่อมสาแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงต้องเอาบาดนิสักขียภาจิตตีภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสามแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งต้องเอาบาดนิสักขียาปาจิตตีภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสมแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสมแห่งต้องเอาบาดนิสักคียภาจิตตีภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสามแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสีแห่งต้องเอาบาดนิสักคียภาจิตตีบาทที่มีรอยซ่อมสี่แห่ง ภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสแห่งขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสีแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสี่แห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตีภิกษูมีบาดที่มีรอยซ่อมสีแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสแห่งต้องเอาบัตรนิสสกิยาปาจิตตี ภิกษุม<เป>ีบาทที<เป>่ม <en> ีรอยซ่อมสแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสีแห่งต้องอบัติสักคียปาจิตตีบาดที่ไม่มีรอยซ่อมภิกษุมีบาดที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่ยังไม่มีที่ซ่อมต้องเอาบาติสักคียปาจิตตีภิกษุมีบาดที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาทที่ไม่มีรอยซ่อมขอบาทที่มี ที่ซ่อมสี่แหงต้องเอาบัติิสักียาพาจิตตีบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงพิษุมีบาดที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงขอบาทที่ยังไม่มีที่ซ่อมบาดที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาดที่มีที่ซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาทที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงขอบาทที่มีที่ซ่อมสี่แห่งต้องเอาบัติิสักียาพาจิตตีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่งภิกษุมีบาดที่มีรอยซ่อมสองแห่ง ขอบาทที่ยังมีที่ซ่อมบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งพิสูจมีบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งขอบาทที่มีที่ซ่อมสี่แห่งต้องเอาบาดนิสักคียาปาจิตตีบาทที่มีรอยซ่อมสามแห่งภิสูจมีบาทที่มีรอยซ่อมสาแห่งขอบาทที่ยังมีมีที่ซ่อมบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งพิสูจมีบาท ที่มีรอยซ่อมสามแห่งขอบาทที่มีที่ซ่อมสีแห่งต้องอบาริสักคียาปาจิตตีบาทที่มีรอยซ่อมสีแห่งภิกษุมีบาทที่มีรอยซ่อมสีแห่งขอบาทที่ยังไม่มีที่ซ่อมบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งพิกษุมีบาทที่มีรอยซ่อมสีแห่งขอบาทที่มีที่ซ่อมสีแห่งต้องอบาริสักคียาปาจิตตีบาทที่ยังไม่มีที่ซ่อม ภิกษ er ุมีบาทที่ยังไม่มีที่ซ่อมขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมต้องอาบาดนิสักคียาปาจิตตีภิกษุมีบาดที่ยังไม่มีที่ซ่อมขอบาดที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสมแห่งภิกษุมีบาทที่ยังมีที่ซ่อมขอบาทที่มีที่ซ่อมสี่แห่งต้องอาบาดนิสักคียาปาจิตตีบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงภิกษุมีบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมบาดที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหง บาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งบาทที่มีรอยซ่อมสามแห่งพิสูมีบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงขอบาทที่มีรอยซ่อมสี่แห่งต้องเอาบาทนิสักี้าจิตตีบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งพิสูมีบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งขอบาทไม่มีรอยซ่อมบาทที่มีรอยซ่อม1แห่งแหบาทที่มีรอยซ่อมสองแหง บาทที่มีรอยซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อม4แห่งต้องเอาบัตรนิสสคียาปาจิตตีบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งภิสูุมีบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งขอบาทไม่มีรอยซ่อมบาทมีรอยซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งบาทที่มีรอยซ่อมสามแห่งภิสูุมีบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งขอบาทที่มี รอยซ่อมสีแห่งต้องอบัตรนิสักียาปาจิตตีบาตรที่มีที่ซ่อมสีแห่งภิกษุมีบาตรที่มีที่ซ่อมสีแห่งขอบาทที่ไม่มีรอยซ่อมบาตรที่มีรอยซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งบาตรที่มีรอยซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาตรที่มีรอยซ่อมสีแห่งขอบาทที่มีรอยซ่อมสีแห่งต้องอบัตรนิสักียาปาจิตตีบาทที่ไม่มีที่ซ่อม ภิกษุมีบาดที่ไม่มีที่ซ่อมขอบาทที่ไม่มีที่ซ่อมบาดที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีรอยซ่อม2แห่งบาทที่มีรอยซ่อมสามแห่งบาทที่ไม่มีที่ซ่อมภิกษุมีบาดที่ไม่มีที่ซ่อมขอบาทที่ไม่มีที่ซ่อมบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีรอยซ่อมสองแห่งบาทมีรอยซ่อมสมแห่งภิกษุมีบาทที่ไม่มีที่ซ่อมขอบาทที่มีที่ซ่อม4ี่แห่งต้องอบัสนิสักิยาพาจิตี บาดที <S <s ่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงพิกษุมีบาตรที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงขอบาดที่ไม่มีที่ซ่อมบาดที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาดที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาดที่มีที่ซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาตรที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงขอบาดที่มีที่ซ่อมสี่แห่งต้องอาบัณิตศกดิยาปาจิตตีบาดที่มีที่ซ่อมสองแห่งภิกษุมีบาดที่มีที่ซ่อมสองแห่งขอบาดที่ไม่มีที่ซ่อมบาดที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหง บาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทมีที่ซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาทที่มีที่ซ่อมสองแหงขอบาทที่มีที่ซ่อมสี่แห่งต้องระบาดนิสกี้ยะปาจิตตีบาทมีที่ซ่อมสามแห่งพิกษูมีบารที่มีที่ซ่อมสามแห่งขอบาทที่ไม่มีที่ซ่อมบาทที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีที่ซ่อมสองแหงบาดที่มีที่ซ่อมสามแหง ภิกษุมีบาดที่มีที่ซ่อมสามแห่งขอบาทที่มีที่ซ่อมสี่แห่งต้องเอาบัตินิสัคคียาปาจิตตีบาทที่มีที่ซ่อมสี่แห่งภิกษุมีบาดที่มีที่ซ่อมสี่แห่งขอบาทที่ไม่มีที่ซ่อมบาดที่มีที่ซ่อมหนึ่งแหงบาทที่มีที่ซ่อมสองแห่งบาทที่มีที่ซ่อมสามแห่งภิกษุมีบาทที่มีที่ซ่อสมสี่แหง่งขอบาด ท, ที่มีที่ซ่อมสี่แหง่งต้องเอบาบันินิสคัคคิยาปาจิตตี